เจิญพรทุกทุกท่านเมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี้ก็เท่ากับเราไม่ได้เจอกันสองเดือนสองเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าขยันภาวนานะได้เยอะนะบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเลยเขาก็ได้ธรรมะสองเดือนเยอะเถ้าเราภาวนา หลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้ขี้เกียจหรอกไปทำงานที่อื่นไปเทศที่อเมริกากลับมาจากอเมริกาขึ้นไปสุรินทำเนียมพระเวลาจะเข้าพรรษาต้องไปกราบอุปชาอาจารย์เผื่อเรามีอะไรไม่ดีท่านจะได้อบรมสั่งสอน เราไท่านก็ให้ไปเทศที่โน้นด้วยที่สุรินทร์วัดบูรพารามกลับมาไม่กี่วันนะก็เสร็จแล้วก็ไปเมืองจีนต่อกลับจากเมืองจีนเมื่อค่ำวันศุกร์เช้าวันอาทิตย์มาเทศที่นี้เพะฉะนนหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ขี้เกียจนะว่าแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะ่ตอนหลวงพ่อไม่อยู่ขี้เกียจหรือเปล่าเท่านั้นเอง ไปเทศที่อเมริกาเลี่ก็เห็นพัฒนาการของคนที่นั่นคือเมื่อนานมาแล้วหลายปีสามสิบปีนที่ผ่านมา้วก่อนๆน้านั้นขึ้นไปอีกนักปฏิบัติมีแต่ทำสมาธิเพ่งกันนิ่งๆไม่รู้จักวิธีเจริญสติเจริญปัญญาแตวตอนนี้หลวงพ่อก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันนะซีดีก็ออกไปเยอะแยะ คนก็รู้จักวิธีเจริญสติเจริญปัญญามากขึ้นไปที่ไหนก็เจอคนที่ตื่นภาวะแห่งความตื่นเนีเป็นภาวะที่เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรมันคือเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนี่คนทั่วๆไปเนี่ย ลืมกายลืมใจคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจได้มีน้อยเต็มทีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเธอออกปากเลยว่าในโลกมันไม่มีคน ร, รู้สึกตัวเลยหายากเหลือเกินวัดหนึ่งวัดหนึ่งบางทีมีครูบาอาจารย์รู้สึกอยู่องค์เดียวอย่เงี้ยนะบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีที่ฆราวาสญาติโยมจะรู้สึกตัวได้เนะ่ะหายากมากเลยมาถึงวันนี้ความรู้สึกตัวได้เนะี่ยมีมากนับไม่ถ้วน ไปที่อเมริกาคนที่รู้สึกตัวเป็นนะก็เลยไปถึงขั้นแยกธาตุแยกขันได้ก็เยอะแยะไปหมดเลยที่น่าทึ่งคือไปเมืองจีนไปเมืองจีนนี่น่าสนใจกว่าไปอเมริกาอีกเขา <ๆ S 1> ไปอเมริกานะไปสอนคนไทยนี่ไปสอนคนจีนพุดไทยไม่ได้หรอกไม่มีโอกาสเรียนธรรมะเลยไปเข้าจัดคอร์สของเขาอยู่นะไปวันแรกเขาบอกขอให้ไป ให้พวกเข้าคอเขาเห็นหน่อยเขาเห็นเราเราก็เห็นเขาโอ้มืดมืดย <c oughs> กลับเอามานะจากที่ให้เขากลับเฉยเฉยยัยงไม่ถึงเวลาจะคุยกับเขามันรุ่งขึ้นก็ยจะเริ่มไปเทศยังบอกครูบาอาเลยว่าออจะสอนไหวไหมวะ <c oughs> มันทำไมมันมืดมืดอย่างนี้นะแน่นไปเพ่งเําเพงเพงเพ่งบบ ปรากฏว่าพอไปเริ่มสอนไม่นานก็ตื่นคือคนถ้ามันมีบารมีมีของเก่ามานะสักกินนิดหนึ่งมันก็ไปแะ้ะตื่นโปงสว่างขึ้นมาะ mm hmm. เกือบทั้งห้องสอนวันที่สองนะเริ่มแยกธาตุแยกขันได้พอวันที่สามวันสุดท้ายแล้ววันที่สามวันสุดท้ายเขาภานาเขารู้หลักแนะ มีคนซึ่งไม่เคยมีศาสนาเขาไม่มีศาสนาเขาบอกเขาเที่ยวศึกษานะทั้งเตา๋าทั้งอะไรตอนนี้นนะศึกษาวิชาต่างๆมาเขาพบว่ามันตื้นไปพอมาฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วรู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นลึกซึ้งแต่ทำได้จริงฟังอย่างนี้เขายาน่าชื่นใจหน คือว่าเป็นกำไรนะหลวงพ่อไปสร้างชาวพุทธมาตวัยให้พระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นรือเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราก็จงมีส่วนแห่งบุญนี้ทุกๆคนไปสอนเขาเนะีจะสอนไม่ยากเริ่มต้นเลยบอกเขาเลยว่าการปฏิบัติธรรมมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งตื่นขึ้นมาให้ได้รู้สึกตัวให้เป็นพอรู้สึกตัวแล้วนะ มันจะรู้สึกในร่างกายในจิตใจคนทั่วไปเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตอนเองงั้นถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้เนี่ยมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชัว่วมันก็รู้ได้พอ ร, รู้สึกกายรู้สึกใจได้เนี่ยก็เดินปัญญาได้เพราะการเดินปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ถ้าร่างกายเราหายไปเราจะไปดูกายได้ยังไงถ้าจิตใจเราหายไปนะหนีไปอยู่ในความคิดสมมติเนี่ยมันจะมารู้จิตรู้ใจตัวเองได้งไงมันก็ไม่มีทางเห็นความจริงเลยมันง่ายๆแค่นี้แหละหลักการนในการที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูการทํางานของกายของใจได้นะถ้าดูการทํางานของกายของใจได้แล้วไม่ยากละคล้ายๆมันเข้าอยู่ในทาง ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งไม่ได้มรรคได้ผลแน่นอนนะแต่ถ้าจิตมันไม่ตื่นมันมาดูกายดูใจไม่ได้มันไม่เข้าในทางสติเดินทางไม่ได้มันก็ไม่มีทางที่จะได้มรรคผลนิพพานอะไรเหมือนภาว่าเห่งความตื่ น, นเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นคนไหนยังไม่ตื่ น, นแต่ในนิหายากนะในนี้ส่วนใหญ่ก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาครั้งแรกเราจะมีความรู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราหลับอยู่ เราไม่เคยตื่นเลยเราฝันอยู่ตลอดเวลาเราฝันทั้งที่ลืมตาตื่นเรียกฝันกลางวันตอนกลางคืนก็ฝันกลางคืนรวมแล้วฝันเหมือนกันคือจิตเนี่ยมันปรุงแต่งปุงไปด้วยคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างฝันก็คือจิตมันคิดนั่นแหละแต่มันคิดตอนหลับก็เลยเรียกว่ามันฝันถ้าคิดตอนตื่นก็เรียกว่าความคิดีจริงก็เหมือนกันสภาวะคล้ายกันนะก็คือใจมันเคลื่อนไปไหลไป ลุงแต่งไปทำยังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นได้ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้วิธีนะธรรมดาของจิตเนี่ยมันจะเคลื่อนไปตลอดเวลามันไม่อยู่กับตัวเองเพราะมันสนใจแต่ของข้างนอกหผูพูดูนเรียกว่าจิตส่งออกนอกมันสนใจของข้างนอกนะอย่างเราเห็นคนชกกันคนทะเลาะกันเราสนใจเขาทะเลาะกันนะ คอยไปดูเขาในขณะนั้นเราลืมตัวเราเองเนี่ยเราหลุดออกไปจากความรู้สึกตัวละจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละเราได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรนะหรือเสียงเ้าตีกันทะเลาะกันเสียงแปลกๆอะไรก็ตามเสียงนกเสียงอะไรก็ตามเราสนใจว่ามันเสียงอะไรจิตใจเราก็ไหลไปหาต้นต่อของเสียงเราก็ลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อไร่จิตของเราเคลื่อนไปจิตของเราไหลไปนะ มันจะลืมกายลืมใจเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่เราก็ลืมกายลืมใจนี่หลักมันมีเท่านี้เองถ้าเมื่อไรจิตมันเคลื่อนไปนะมันแสดงว่าจิตดวงนั้นเป็นจิตชนิดที่ประกอบด้วยความฟุง้งซ่านมีโมหะแต่เคลื่อนไปแล้วไปเห็นพระพุทธรูปจิตเกิดศรัทธาเป็นกุศลขึ้นมาได้ไหมได้ แต่กุศลนั้นนะมีเบื้องหลังคือโมหแะแม็กิเลสเนี่ยเป็นเบื้องหลังของกุศลก็ได้อย่างเราอยากพ้นทุกข์นะถามว่าเป็นกิเลสไหมก็เป็นแต่มันทําให้เราดิ้นรนคนวายปฏิบัติธรรมใช่ไหมตรงที่เราปฏิบัติธรรมนีมันเป็นกุศลนั่นอาคุศลนัมันพลิกเป็นกุศลก็ได้กุศลพลิกไปเป็นอาคุศลก็ได้คลิกได้ตลอดเวลาอย่างเราเห็นคนหนึ่งน้าสงสาร ก็าก็ไปแนะนําม่อย่าทําอย่างนี้สีทําอย่างนี้ไม่ดีเพราะเขาไม่เชื่อเราโกรธนะความเมตตาสงสารกัลลุณานะอยากให้เขาไม่ไม่ทุกข์เขาไม่เชื่อปุ๊บกรุณากลายเป็นโทสะแล้วมันพลิกไปพลิกมาได้จิตทุกดวงนะที่มันเคลื่อนออกไปหาอารมณ์ต่างๆจิตจะเคลื่อนไปดูจิตจะเคลื่อนไปฟงังจิตจะเคลื่อนไปคิดนะมีโมหะคือความฟุ้งซ่านยืนพื้นอยู่ ซอนอยู่เบื้องหลังจิตมันฟุ้งซ่านอะไรเคลื่อนไปทางตาวิ่งไปหาอารมณ์ทางตาคือไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขนะจิตมันฟุ้งซ่านมันวิ่งไปหาอารมณ์ทางหูวิ่งไปฟังเสียงนะหวังว่าจะมีความสุขจิตฟุ้งซ่านเก็วิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหวังว่าจะมีความสุขพื้นฐานก็คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็คือโมหะนั่นเองเป็นกิเลสตระกูลโมหะ งั้นเวลามีโมหะหรือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตจะเคลื่อนไปนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันมีสติรู้ทันนะว่าจิตเป็นเคลื่อนทันทีที่เกิดสตินียอกุศลจะดับอัตโนมัติงั้นทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนเลยจะตั้งมั่นขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นเนะี่ยวิธีที่จะฝึกให้ตื่นนะไม่ได้บังคับตัวเองให้ตื่น แต่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ารู้ทันนะก็จิตก็ตั้งมั่นขึ้นเหมือนกันแต่การที่จะมาคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนทั้ง6กทวารมันทำยากมันเป็นงานที่มากเกินไปเราก็มาสังเกตอยู่ที่ใจอันเดียวใจของเรานี่แหละชอบเคลื่อนนะการที่เคลื่อนไปดูรูปกิเลสยังไม่เกิดนะแต่ถ้าใจเราเคลื่อนเมื่อไหร่กิเลสเกิด เคลื่อนไปฟังเสียงขณะที่ไปฟังเสียงยังไม่มีกิเลสหรอกแต่ฟังเสียงเสร็แจแล้วใจเราเคลื่อนต่อไปไปคิดนึกปรุงแต่งกิเลสก็จะเกิดที่ใจนั่นที่ใจเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะกระทบอารมณ์นะกระทบแล้วมันก็ส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วก็เกิดปรุงดีปรุงชัว่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นที่ใจนี่นเราไม่ต้องไปเฝ้าทีเดียว6ทวารเสียเวลามันเยอะเกินมันเหนื่อยเกิน เฝ้าอยู่ที่ทวารใจคอยรู้อยู่ที่ทวารใจอันเดียวนั้นะคอยรู้ทันเวลาใจไหลไปไนะหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปไม่เป็นไรแต่พอตามองเห็นรูปใจก็ไหลาตามตาไปให้รู้ทันว่าใจมันไหลไปแล้วนะรู้อยู่ที่ใจเนใจมันไหลไปเรารู้ใจมันไหลไปเรารู้อย่าไปห้ามมันปล่อยให้มันไหลแล้ว ร, รู้เอานะตรงนี้แหละเป็นเคล็ดของการทําสมาธิ หลายคนภากเพียรทําสมาธิถ้าเป็นแทบตายจิตใจไม่ตั้งมัน่นจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมีแต่ความเครียดนะในนี้ก็มีนะหมอจิตแพทย์คนภาวนาผิดนะเป็นบ้ามีภนะาวนาตูกไม่เป็นบ้าหรอกเนะถ้าไปกดไปข่มมันนะธรรมดาก็เครียดอยู่แล้วนะในชีวิตธรรมดานี้บางคนก็เครียดมากอยู่แล้วอุตส่าห์ไปเข้าวัดไปนั่งสมาธิหวังว่าจะหายเครียด พอไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่เป็นไปบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนควบคุมไม่ให้กระดุกกระดิกจิตยิ่งเครียดหนักเลยคราวนี้เลยบ้านหนักกว่าเก่าอีกเราไม่บังคับแต่เราปล่อยให้มันทํางานเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จําหลักแค่นี้พอนะเคลื่อนแล้วก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้นะถ้าเรารู้ทานจิตที่เคลื่อนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุดเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรนี่นรองลงมาแต่เคลื่อนไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุด คอรู้ทันตัวที่จิตเคลื่อนไปคิดนี่ก็พอแล้วนะจิตก็เคลื่อนไปคิดนั่นก็ถ้าเรารู้ได้นะเราก็รู้จิตได้เกือบทั้งวันละเพราะจิตคิดทั้งวันนั่นไคอยแค่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะการเคลื่อนจะดับโดยอัตโนมัติพระพุทธเจบอกแล้วว่าจิตเคลื่อนไปได้ด้วยอํานาจของโมหะความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดนะกิเลสจะดับทันทีเลยโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเอง เพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามว่าห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนนี่เครียดเกินไปนะสติไม่เกิดแต่อาศัยว่ามันเคลื่อนแล้วรู้ทันเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตจําสภาวะแห่งการเคลื่อนได้แม <go> ่นพอจิตจําสภาวะที่การเคลื่อนได้แม่นมันเคลื่อนออมเคลื่อนไปอย่างนี้เองเคลื่อนไปคิดเป็นอย่างนี้เองหัดไปเรื่อยพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดแล้วรู้หายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดแล้วรู้จิตมันจําการเคลื่อนได้ต่อไปพอมันเคลื่อนนะสติจะเกิดเอง สติที่เกิดเองนี่เป็นสติตัวจริงเวลาที่สติตัวจริงเกิดนี่จิตจะไม่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนนี่จิตจะตั้งมั่นเข้าถึงฐานของมันเลยไม่ต้องไปรักษาจิตไว้ที่ฐานไม่ต้องพยายามทำจิตให้เข้าฐานถ้าสติรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนออกไปนะจิตมันเข้าฐานของมันเองเพราะอะไรเพราะมันไม่เคลื่อนจิตก็กลับบ้านของมันเองนั้นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยถ้ารู้ทันว่าจิตคิดน จิตรู้หรือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเพราะพวกเราต้องฝึกนะให้จิตมันเห็นสภาวะที่เคลื่อนบ่อยๆทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ทําจังหวะก็ได้ดูท้องผ่องยุบก็ได้แล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมาฐานเรารู้ทันเช่นหายใจอยู่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมก็รู้นะก็ตั้งมั่นเหมือนกันไม่ต้องไปดึง ไม่ไม่ต้องว่าเคลื่อนไปแล้วดึงคืนนะถ้าดึงคืนก็แน่นไม่่แล้วก็ไม่ใช่ห้ามเคลื่อนเคลื่อนไดนะ้เราจะดูจิตรู้เท่าทันจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะเรียกว่าจิตตสิกขาเรียนรู้จิตไปเรด้อยจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะจิตจะได้ตั้งมัน่นพอจิตตั้งมั่นนั่นแหละเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแนละจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะพอจิตเราตื่นขึ้นมาได้แล้วเนี่ยงานต่อไปนะไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่ความตื่นบางคนจะเข้าใจผิดว่าตื่นแล้วก็พอแล้วนะรู้สึกตัวตื่นรู้สึกแวะนะรักษาจิตจนกระทั่งมันไม่ไปไหนเลยรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสงบอยู่ภายในนิรันดร อ, อันนี้ยังไม่ได้เดินปัญญานะถ้าไม่เดินปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ตาย ตรงนี้ได้สมาธิอย่างเดียวเองดังนั้นบางคนเนี่ยพอจิตมีสมาธิแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่เดินปัญญาต่อบางคนจิตมีสมาธิแล้วประกอบด้วยปัญญาเดินปัญญาต่อในตําราในอภิธรรมนะเขาถึงพูดถึงจิตที่เป็นกุศลนะมีหลายแบบนะจิตที่เป็นกุศลนะตั้งมั่นอยู่เนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยประกอบด้วยปัญญาก็มีไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีนะ มีเขาเรียกว่ายานวิปปยุทธ์ยานวิปปยุทธ์หรือยานสัมปยุทธ์ยานสัมปยุทธ์ประกอบด้วยปัญญายานวิปปยุทธ์ไม่ประกอบด้วยปัญญาถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นแต่ไม่มีปัญญานักปฏิบัติสมัยก่อนนะจำนวนมากเลยนะมาได้แค่นี้มาได้แค่ว่าจิตรู้สึกตัวขึ้นมะาแล้วพอใจแล้วมันมีความสุขมันมีความสบายเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านไม่มีความสุข พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นแล้วมีความสุขพอใจนะอันนี้พอใจอย่างนี้น่าสงสารเพราะจะไม่เดินต่อเมื่อจิตไม่รู้สึกตัวแล้วเราต้องรู้นะว่าเรารู้สึกตัวเพื่อจะเดินปัญญาเนะนี่ยเราทิ้งหน้าที่ของเราคือการเดินปัญญาไม่ได้การเดินปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะรู้สึกตัวก็เพื่อให้รู้ถึงความมีอยู่ของรูปนามกายใจก็แค่นั้นเอง ก็มันมีอยู่แต่ยังไม่เห็นความเป็นจริงของมันก็เรียกว่าไม่ได้เดินปัญญาถ้าไม่เห็นความจริงไม่ปล่อยวางแต่ใจยึดถือแต่ใจยึดรู้สึกเลยเนี่ยพอเรารักษาจิตได้สว่างว่างอยู่ยนี้เป็นแรมเดือนแรมปีนะอยู่ได้หลายๆปีเลยนะถ้าตายไปแล้วเป็นพรหมแนละ้วอยู่ได้หลายหลกับเลยบางพรหมบางชนิดนะีอยู่ทั้ง 80,000 ื่กับนะหมายถึงจักรวาลเกิดจนแตกเนี่ยแ0 0 0มครั้งนะอายุยืนขนาด น, นั้นนะ แต่ก็จะสว่างว่างเฉยๆอยู่นั่นเองนะเสร็จแล้วพอเคลื่อนออกมาเนี้ยเกือบส่วนใหญ่นี่ยพะอาจารย์ท่านบอกลงอบายเพราะอะไรไปติดนิ่งอยู่นานพอเคลื่อนท่านั้นอนะโทสะมจะขึ้นทันทีเลยอย่างเวลาคนที่ติดสมาธิพวกเราเห็นไหมทำสมาธินิ่งๆนะพอหลุดออกมานะอารมณ์ร้ายเนี่ยพวกนี้เป็นพรอมอยู่นานนะพอเคลื่อนนะัอารมณ์ร้ายโทสะเกินลงนรกเลยนะ งั้นเราไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะความรู้สึกตัวการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเพื่อจะเจริญปัญญาเท่านั้นเองการเจริญปัญญามีหลายระดับปัญญามี3มอย่างปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังอะไรนีนในในในใน้ปัญญาอย่างหนึ่งเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาของเราเองจริงๆมันแค่ความจําเท่านั้นเอง อย่างเราไปอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจําได้บอกเนี่ยมีปัญญาจากการอ่านการฟังที่จริงคือเราจําได้นะนั่นไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเป็นปัญญาของท่านไม่ใช่ปัญญาของเราเราแค่ไปจําท่านมาเราก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองนะได้ยินคนเขาพูดบ่อยๆเราก็พูดตามเขาได้แต่ไม่รู้ความหมายนะจะปัญญาที่อ่านที่ฟังจะเป็นแบบนั้นปัญญาอย่างที่สองเนี่ยปัญญาคิดเอา ปัญญาคิดเอาเนี่จะคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้เพราะฉั้นยังไม่แน่นอนเอาเชื่อถืออะไรไม่ได้พระเจ้าถึงบอกว่าอย่าเชื่อตักกะอย่าเชื่อการใช้เหตุผลของการคิดนะปัญญาที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือการเจริญสติเจริญปัญญา น, นั่นเองตามรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นความจริงของกายของใจคําว่าตามรู้เนี่ยตรงกับคําว่าอนุปัสสนานะเคยได้ยินไหมากายอนุปัสนา แต่ อ, อะไรตามรู้กายเนืองเนืองเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเนืงเนืองจิตานุปัสสนาคือการตามรู้ความปรุงแต่งของจิตทั้งดีทั้งชั่วเนืองเนือธรรมานุปัสสนาตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้เหตุรู้ผลของสภาวธรรมทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปรู้ไปเห็นนะ ไปตามรู้ตามรู้หมายถึงว่าสภาวะธรรมมันเป็นอย่างไรให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่วิธีรู้รูปกับวิธีรูปนามต่างกันนิดหนึ่งถ้ารู้รูปนะเรารู้ลงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเราร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้เลยแต่ถ้าจะดูจิตดูใจนะปล่อยให้มันทํางานก่อนแล้วก็รูนะ้เช่นมันเคลื่อนไปก่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนนะถ้าเราไปรู้อยู่เฉยๆมันจะไม่เคลื่อนมันจะพอมันไม่เคลื่อนนา น, านๆนะจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจะรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของเที่ยง นะจิตนี้เป็นสุขมันรู้ตัวอยู่เฉยมีความสุขไม่ไปไหนเลยมันเที่ยงเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งนะถ้าฝึกมากๆแล้วบังคับจิตได้จิตเป็นอัตตาันะ้นแทนที่จะเห็นจิตเป็นอันนีจังทุกขังอนาตตาให้เห็นเป็นอัตตาอนนี้เพราะไม่ได้เดินปัญญานะถ้าเดินปัญญาก็คือปล่อยให้ร่างกายทํางานแล้วมีสติตามรู้เอานะปล่อยให้จิตใจทํางานแล้วมีสติตามรู้เอาเมื่อก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะคือหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านมาที่นี่ประจำน่าจะมีรูปท่านอยู่บ้างนะมีไหมหลวงพ่อพุทธนะสอนกรรมฐานเนี่ยสุดยอดกรรมฐานเลยสอนว่าไงรู้ไหม ย, ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วเป็นกรรมฐานไหมตอนที่ท่านสอนนะนักปฏิบัติรุ่นเดียวนคะ่อนข้างดูถูกเลยนะ คิดว่าท่านภาวนามไม่เป็นนะที่จริงท่านสุดยอดเลยนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนะท่านจะพูดช้าช้านะวิธีพูดท่านพูดช้าชายืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยช้าช้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดบอกว่าให้มีสติรู้ไปนะีอะไรยืนเดินนั่ง น, นอนกินดื่มทําพูดคิดก็ก า, ายกับใจก็รูปกันามใช่ไหมร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูด ใครเป็นคนคิดใจมีคิดแต่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดได้อะมันทำมาเป็นธรรมอย่างนั้นเพราะพใจมันสั่งเนี่ยท่านสอนนะมีสติรู้ยกุคนคนไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะติดแต่สมาธิว่าท่านสอนผิดท่านนั่งสมาธิไม่เป็นท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าท่านถูกดูถูกมาตลอดหรือว่านั่งสมาธิไม่เป็นมีอยู่คราวหนึ่งเขามีงานพุทธาพิเศษเลยนะ คนที่จัดงานบางคนเห็นว่านิมนต์ท่านมานะดูถูกเลยว่าโห้ยเป น, นิมนทร์องนี้มาทําสมาธิไม่เป็นไม่ขลังหรอกท่าแหมแหมมันดูถูกจังพอ <c oughs> ท่านขึ้นนั่งนะมือแตะปุ๊บท่านกําหนดจิตไว้เลยว่าถ้าจะเข้าสมาธิปุ๊บลงไปรวมจิตรวมทันทีเลยนะไม่หายใจเลยจนเช้าอองค์อื่นลูกหนีไปไหนหมดแล้วเหลือท่านนั่งอยู่คนเดียว <c oughs> พวกนั้นก็สงสัยว่าท่านทําไมแม่ ไม่ไม่ลุกขึ้นมาเข้ามาดูไม่หายใจเฮ้ยพวกเราทำบาปนะแล้วเอนนิมนต์พระนั่งสมาธิไม่เป็นมานั่งจงตายไปแล้วเนี่ยวรนณภาพแบนี้ยกลงมานะถึงเวลาท่านออกเหยียบทานี้ก็หายใจอ้อฟื้นแล้วนะบอกแม่จะนั่งให้มันดูสัหน่อยมันกลับบอกว่านั่งไม่เป็นคือท่านท่านเชี่ยวชาญแตกชาญ น, นะนละปัญญาท่านเยอะ งนสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นนี้ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนแรกแร้วนะที่สอนให้พวกเรารู้สึกการู้สึกใจอย่างที่มันเป็นหลวงพ่อพูดท่านก็นำร่องมาหลวงปู่ ด, ดูลสอนเรื่องจิตเรื่องใจนะก็นำร่องมาหลวงพ่อเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะท่านสอนลงมาที่จิตนร่อนั้นเขามีจิตแล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมารู้สึกตัวได้ทั้งวัน ตรงที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแล้วเรารู้ได้นะนี่ว่าการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันนะตัวนี้สําคัญนะไปดูคําสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนะท่านก็ยังสอนเลยว่าถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจําวันนะไม่ได้กินหรอกตัวสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละรู้สึกตัวแล้วก็อย่าไปอยู่เฉยดูกายนะทางานดูอะไรมันทํางานนะจิตใจมันทํางานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้มันเรื่อยๆไป หลวงพ่อพูดนะท่านเมื่อปี26งหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านเองท่านหลวงพ่อไปหาท่านทุกเดือนเลยที่โคราชมา ก, ก่อนเนี้ยช่วงนั้นท่านอยู่วัดไปทีไรก็เจอท่านก็สั่งหลวงพ่อเลยว่าคุณปฏิบัติเนี่ยนะคุณไปเขียนนะคุณไปเผยแพร่ะนะท่านสั่งเมื่อปี26ให้ให้หลวงพ่อเผยแพร่ท่านบอกว่าคนที่มีบุญบารมีนะ มีจริตนิสัยอย่างคุณเนี่ยมีมากยังมีมากแต่เขาไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเสียโอกาสไปตอนนั้นหลวงพ่อเป็นข้าราชการผู้น้อยเองนะท่านสั่งให้ไปเผยแพร่ยังหนุ่มๆอยู่เลยไม่เผยแพร่ใครมันจะฟังนะเงินจะจ้างให้เขาเชื่อก็ไม่มีนะไม่มีอะไรสักอย่างนะทําไงได้ อ, คอะครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อไปเขียน บทความไว้อันหนึ่งนะส่งไปลงหนังสือโลกทิพย์ไม่ใส่ชื่อด้วยนิ่ลนามนี่แหละไม่เอาแล้วมีชื่อเดี๋ยวดังนะไม่อยากยุ่งกับใครแต่ท่านสั่งต้องทำํำที่เขียนเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติอะไรส่งไปเ ข, า, ปพ า, เขาพิมพ์ท้าวเขาพิมพ์ไปสักเดือนนะไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อพูดก็เนี่ยคนมาถามหาเยอะเลยนะท่านที่หลวงพ่อก็บอกเขาบอกว่าวันนี้ยังไม่มา แต่มาบ่อยๆตั้งแต่เข้าลงได้แต่ปีสองเจ็ดนะเนี่ยถึงเอาธรรมะนะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะมาให้กับพวกเราเพราะครูบาอาจารย์ท่านมองกไกลท่านรู้ว่าคนส่วนใหญ่ต่อไปอยู่ในเมืองไม่ใช่คนอยู่ในป่าอีกต่อไปแล้วนะคนส่วนมากคือคนในเมืองคือคนช่างคิดกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดนะคือการดูจิตดูใจนี่แหละโยนเบนบางคนไม่ถนัด สาสตโมพรมมาท า, ทางดูกายก็สอนให้ดูกายไปนะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันถ้าภาวนาเป็นจะไม่มีสายนะจะไม่มีสายกายสายจิตถ้ามีสายกายสายจิตเนะี่ยรู้เลยว่ายัางภาวนามไม่เข้าใจถึงแก่นแท้หรอกเหมือนเราขึ้นภูเขาถึงยอดเขาแล้วเนี่ยเราหมุนไปรอบตัวเราจะรู้เลยทางขึ้นเขามีรอบทิศ ท, ทางเลยบางทางดีกว่าทางที่เราขึ้นมาด้วยความลำบากสงง่ายกว่านั้นก็มีนะบางทางก็ลำบากกว่าที่เรามา แต่ไม่ใช่ว่าทางของเราคนเดียวที่ถูกนะเพราะฉนั้นเวลาเราภาวนาเป็นนะลดละกิเลสได้จริงเข้าใจการปฏิบัติเข้าใจการปฏิบัติก็คือเข้าเข้าใจจิตใจของตนเองอย่างท่องแท้นั่นแหละเรียกว่าเข้าใจการปฏิบัติอย่างแท้จริงจิตนั่นแหละคือธรรมนะนอกจากจิตไม่ใช่ธรรมคุปปาจันอย่างหลวงปู่ดูลซ้อนอย่างนี้เลยนะจิตนั่นแหละคือธรรมพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรรมขัคารถ่ายทอดออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี้เองนะ นั้นเข้าถึงจิตแล้วเข้าใจธรรมและจิตกับธรรมมันเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันจิตที่เข้าถึงธรรมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือจิตของพระสงฆ์นะจิตที่เข้าถึงธรรมเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นก็อันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยรวมเข้าเป็นจุดเดียวกันเลยนะรวมเข้าสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันเป็นความว่างความสว่างความบริสุทธิ์ พ้นจากความปรุงแต่งพ้นการดิ้นรนแสวงหาพ้นกิริยาอาการทั้งหลายนะไม่มีอะไรแต่มีความไม่มีอะไรนะมีไม่มีนะมีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ล้ำลึกนะนะมีจริงๆไปเมืองจีนวันสุดท้ายเขาพาไปวัดท่านเว้ยหลังนะไปวัดท่านเว้ยหลังไปถึงเขาก็พาไป เห็นมีป้ายภาษาจีนสลักในแผ่นหินนะตามประตูตามผนังนะมีตรงประตูมีอยู่ประตูอยู่ชั้นหนึ่งเห็นมีขีดอย่างนี้สองขีดนี่เลขสองนะทั้งนี้มีเลขหนึ่งนะข้างหนึ่งมีเลขสองเลขหนึ่งเนี่ยภาษาจีนมีหลายตัวอ่านได้สองตัวนี้แหละนะสองตัวนี้ก็อ๋อถามเขานี้ยอะไรเขาแปลให้ฟังนะบอกทำแท้ไม่ใช่ทำคู่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ อีกฝั่งหนึ่งทำแท้เป็นหนึ่งนะของจริงนะของจริงอย่างนี้ของจริงจริงของจริงเป็นหนึ่งนะไม่มีแบ่งเขาแบ่งเราสายโน้นสาย น, น, ายนี้ไม่มีหรอกนันคือหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งเลยดีเลยชั่วไปเลยสุขเลยทุกข์ไปเลยมืดเลยสว่างไปก็คือหมายความว่าไงที่ว่าเลยไปหมายถึงว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะหรือว่า ก็ อ, อะไรเกิดขึ้นไม่มีความบันไหวเลยไม่มีความแตกต่างเลยนะจิตเนี่ยไม่มีความแตกต่างกนะับสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีค่าบวกค่าลบจิตของเรานะีกระทบอย่างนี้พอใจกระทบนี้ไม่พอใจก็แว่งขึ้นแฝงลงเป็นทำคู่อยู่นั่นเองของคู่กันดีกับชั่วคู่กันสุขกับทุกข์คู่กันแว่งขึ้นแว่งลงไปเรื่อยก็ปรุงไปเรื่อยนะภาวนาจนปัญญารู้แจ้งแทงตลอดมันจะเป็นหนึ่งจนะไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรนะ แล้วพอเขาพาเพื่อไปบนลานหินด้านบนเองนะเขาก็ชี้ให้ดูเนี่ยบอกว่าไม่เข้าไปสู่ความเป็นอะไรพูดถึงท่านไว้หลังถ้าพูดถึงท่านนะไม่เข้าไปสู่ความเป็นอะไรไม่มีการเข้าไปอีกแล้วะงั้นไม่มีการเข้าเมื่อไม่มีการเข้าก็าไม่มีการออกนะถ้ามีการเข้ามีการออกก็เป็นของเป็นคู่งั้นนิพพานที่มีเข้านิพพานที่มีออกนิพพานคู่นันของปลอมหลวงพ่อเคยหลงผิดมาแล้ว ตอนนั้นภาวนาปกติภาวนานะที่ไปรู้สภาวะนะไม่ก็มารู้ตัวผู้รู้นะนี่วันนั้นพระจิตมันเคลื่อนไปที่สภาวะนะมันจะจับตัวสภาวะนี่ไม่เอาอ่ะลองดูซิว่าไม่จับสภาวะแล้วทวนกลับมาพอมันจะมาจับตัวผู้รู้ไม่เอานะ่ะตัวหลบไปนะเข้าออกเข้าออกนะมันวักลงตรงกลางเลยนะโลกหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่าธาตุรู้อันเดียวอุ้ยสว่างสบาย นี่เรามั่งนิพพานแต่ตอนนั้นไม่คิดนะตอนออกมาเฮ้ยนี่เรามั่งนิพพานนะก็ลเล่นอยู่อย่างนี้นะไปถามหลวงปู่เทศตอนไปหาหลวงปู่เทศเนี่ยเริ่มเฉลียวใจแล้วมันมีเข้าออกมันสมาธินรือวะมันไม่ใช่นิพพานหรอกก็ไปบอกหลวงปู่เทศบอกผมเห็นว่าสงสัยว่ามันเป็นสมาธินะหลวงปู่เทศบอกเป็นสมาธินะแต่เล่นไหม <S <s <ios> ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วยุคนี้นะไม่คนไม่ค่อยเล่นเรื่องสมาธิมีแต่นิ่งก็นิ่งหายไปเลยนะ ให้เล่นให้ชํานาญเพอผมกลัวติดครับถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองอะไร่างนี้นะให้ยุยุให้เล่นนะถ้าท่านอยากให้ฝึกสมาธิมากๆผ่านมาไม่กี่เดือนไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์นะโดนท่านโขกเอานิผ่านอะไรมีเข้ามีออกโดนท่านตวาดเลยนะโดนท่านตวาดสองทีสอนสอนที่สอ น, สอ น, สอนจิตไม่เอาตรงนี้แล้วนึกว่าอยู่ตรงนี้มากๆจะมีแรงแต่นิพพานเร็วๆเปร่าไม่ไปหรอก นี่มันสมาธินั้นไปไม่ได้อยากไปนิพพานเร็วๆนะก็ามาเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาได้ก็รู้สึกก่ายรู้สึกใจบ่อยๆก็แค่นั้นเองเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาคิดเอายังไม่ใช่ปัญญาหลวงพ่อพุทธท่านบอกคิดเอาคิดพิจารณาเนี่ยเป็นการนําร่องให้จิตเจริญปัญญาแค่นําร่องเท่านั้นนะนท่านก็เคยเล่าตัวท่านอ่ะท่านเป็นบรรณโรคคนโบราณเป็นบรรณโรคตายแน่นอน ท่านเองก็หมอก็ไม่รักษาแล้วว่าต้องตายแล้วล่ท่านบอกท่านเป็นมหาเรียนหนังสือมากมันพร้อมเลยไม่เป็นวรณโรคท่านก็เอาล่ะจะตายท่านก็ลงไปนอนจะตายก็ตายแล้ภาวนาแล้ท่านไปนะดูร่างกายไปเรยจิตท่านรวมนะแล้วมันถอดออกจากร่างลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานมองลงมาเห็นร่างกายนอนอยู่นะจิตเห็นร่างกายโผปลอกโศกโรคพอเห็นเห็นแนละร่างกายสลายตัวไป ตายเป็นศพนะเน่าไปเปื่อยไปสลายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวสว่างนะพอจิตถอยออกจากสมาธิคืนร่างกับนามีร่างนะจิตมันเห็นชัดเลยว่ากายกับจิตเป็นโครนั่นท่านแยกแยกขันธนะนะ์ท่านก็บอกเลยว่าสมาธิเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเขาวิปัสสนาแปลว่าเห็นวิตกแปลว่าคิดนะแต่ว่าบางคนต้องคิดนำร่อง คิดพิจรารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเราเป็นปฏิกูลสุภาพหรือคิดจิตก็สงบได้สมาธิถ้าสมาธิลึกนะก็จะเห็นร่างกายหายไปพอมีร่างกายขึ้นมาก็แยกขันเป็นแค่นั้นเองถัดจากนั้นต้องมาเดินปัญญาถ้าพวกเราทําสมาธิระดับนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคนรุ่นเราเนี่ยทําไม่ค่อยได้อย่าว่าแต่รุ่นเราเลยรุ่นก่อนๆ ก, ก, ก็น้อยคนหรอกที่ทําไดนะ้คนที่ทรงสมาธิอย่างนั้นมีไม่มาก พาะเราไม่มีสมาธิลึกขนาดนั้นนะเราก็ใช้ทรัพยากรใช้สิ่งที่เรามีดูร่างกายมันทำงานรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวแล้วอย่าอยู่เฉยดูร่างกายมันทำงานมันทำอะไรบ้างมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกหายใจเข้ามันกินมันดื่มมันขับถ่ายะรนก็รู้สึกไปจะผมผ้าจะนุ่งผ้านะนุ่งกางเกงจะใส่เสื้อรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทางาน กวาดบ้านถู บ, บ้านรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทํางานเรี่เรียกว่าเจริญสติในชีวิตประจําวันรู้สึกไปเรื่อยมเห็นร่างกายมันทํานะใจมันเป็นแค่คนดูเองนะดูไปดูไปร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเมื่อปัญญามันเกิดนะแล้วมันเป็นอะไรไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะดูมากไปนะจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ จะเป็นตรวทุกนะร่างกายเนี่ยตัวจิตใจก็เหมือนกันดูมันทํางานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวก็ไปแทรกแซงสิ่งอื่นร่างกายไม่เคยแทรกแซงจิตใจนะแต่จิตใจชอบแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างสั่งแทรกแซงร่างกายอย่างร่างกายจะเจ็บป่วยก็แทรกแซงอยากให้หายเร็วๆแทรกแซงคอยแทรกแซงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตใจก็เข้าไปแทรกแซงนะ ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็เข้าไปแทรกแซงมันชอบยุ่งกับชาวบ้านเขาจิตนี่แหละเขาเรียกเรียกว่าแสสายเคยได้ยินไหมจิตมีลักษณะแส่สายแสจริงๆเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็งสายทั้งวันใครเคยเห็นจิตแสสายบ้างยกมือสิใครจิตไม่แสสายเลยมีไห้ยกมือสิถ้ามีนะหลวงพ่อจะต้องสลดหดหูเลยนะแสดงว่าที่สอนมายังไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยแสสายตลอดเวลา มันแส่สายไปทําอะไรไปไหนไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแส่สายรู้ทันมันเขรู้ทันมันมันก็ตั้งมั่นถ้ตั้งมั่นนะดูมันทํางานไปดูมันทํางานมันทําอะไรมันแส่สายให้ดูไม่ใช่ไปบัคับให้นิ่งนะธรรมชาติของจิตนั่นน่ะคิดนึกปรุงแต่งการจะดูจิตดูใจไม่ใช่ไปดูให้มันไม่คิดนึกปรุงแต่งแต่ดูจนรู้ว่ามันคิดนึกปรุงแต่ง คิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยนี่แสดงว่าไม่เที่ยงคิดนึกปรุงแต่งได้เองนี่แสดงว่าเป็นอนัตตาดูอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เคยทําผิดหลวงปู่ให้ดูจิตหลวงปู่โดนให้ดูจิตเขาไปดู ร, รักษาตัวรู้ไว้เนี่ยดูจิตได้ทั้งวันเลยไม่ไปไหนเลยหลวงปู่บอกว่านี่แทรกแสงจิตแทรกแสงอาการของจิตคือจิตมีอาการมีธรรมชาติที่จะต้องคิดนึกปรุงแต่งดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างเราไปแทรกแสงจนมันเฉยผิดธรรมชาติ ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายนะให้ใจมัคิดนึกไปตามธรรมชาติเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้นี่คือการที่จะเจริญปัญญาในชีวิตจริงๆส่วนการทําในรูปแบบต้องทําทุกวันนะถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานต้องทําอย่างน้อย10นาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นชาวสาราลูกชิ้นเนี่ยก็ต้องนานกว่านั้นหน่อย ถือว่าไม่ใช่มือใหม่และมือใหม่หลวงพ่อขอสิบนาทีสิบห้านาทีนะให้ตายใจพอให้หลวงพ่อตรงนี้นะเดี๋ยวภาวนาแล้วมีความสุขนะติดกดกจิตใจเพิ่มเวลาขึ้นได้เองนะถ้าเอาทีเดียวเยอะๆนะวันหลังฝ่อเหลือน้อยลงน้อยลงเล็กขี้เกียจปฏิบัติเริ่มจากจุดเล็กๆนะเริ่มจากน้อยๆนี่แหละแล้วก็ค่อยขยายออกไปตีบใจร้อนพรวดพลาดแล้วก็เจ๊งนะ <c oughs> การตทางธุรกิจนะใจเย็น <c oughs> พอไหวไหมเนี่ยไปสอนคนจีนนะแต่ไม่ได้สอนละเอียดอย่างนี้นะไม่ได้สอนละเอียดอย่างนี้เขาถ่ายวีดีโอไว้เหมือนกันแหละแต่วีดีโอของเขาเป็นวีดีโอแบบโบร่ณโบราณเป็นม้วนๆกันเนาะนเขาต้องหาทางไปแปลงให้เป็นดิจิทัลก่อนแล้วเขาจะเอามาให้เดี๋ยวจะไปลงเว็บไซต์นี่แหละวิมุงวิมุตธรรมะอะไรต่ออะไรธรรมะ .com ธรรมดา .net อะไรพวกนี้แหละนะ ไปดูเอาก็แล้วกันที่สอนเขาก็แค่ว่านะตื่นเห็นมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูกายดูใจมันทํางานไปนะสอนหลักๆนะธรรมะมันก็เท่านั้นแหละใครทํำก็คนนั้นได้นะน่าเสียดายนะในเมืองจีนเมื่อก่อนนี้ธรรมะรุ่งเรืองซะขนาดนั้นอย่างนั้นถือรุ่งเรืองมากเลยนะคนเข้าใจธรรมะระดับสูงขนาดนั้นยังศูนย์ไปเลย ศูนส์ไปหมดไปวัดของเข้าเดี๋ยวนี้ยังมีนะแต่คือบริษัทนักธุรกิจกเข้าไปซื้อวดัดแล้วก็ทำเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเก็บสตังค์ไม่มีพระก็เอาคนมาแต่งเป็นพระคล้ายๆพนักงานถึงเวลาก็แต่งเครื่องแบบอะไรง้ย่างนั้นก็มีนะพวกเราบุญแล้วนะอยู่ในแผ่นดินที่ยังมีพระพุทธศาสนาสิ่งที่ เราต้องรักษาสืบทอดนะั่นคือตัวพระธรรมวินัยคาสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งนี้เป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตเราเป็นแสงสว่างของโลกเราเข้าใจแล้วก็บอกต่อช่วยกันสืบทอดไปนะอย่าไปติดแค่ว่าบุคคลนะช่วงหลวงพ่อไปอเมริกาได้ข่าวข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างกิเลสคนอื่นดูสิษ์หลวงพ่อประพ่ อ, พ อ, พอคงจะแยกแยะออก เราที่หลวงพ่อสอนไม่ได้ให้ติดหลวงพ่อนะไม่ได้ให้ติดเลยเลยสังเกตแมมสอนให้เคารพพระพุทธเจ้าให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแม่สอนให้คิดถึงหลวงพ่อนะไม่ได้ให้ตัวบุคคลเป็นใหญ่ให้เอาธรรมะเป็นใหญ่ถ้าเราธรรมะเป็นใหญ่เราจะรู้เลยธรรมะไม่เคยแปรปลวนเลยที่แปรปลวนคือคนซึ่งมันส่งธรรมะไว้ไม่ได้เท่านั้นเองความไม่ดีมันอยู่ที่คนหรอก บางคนก็ใช้ธรรมะไปหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยมีมาตลอดแบบเนี้นะนี่ถ้าบางคนเขามีข่าวพระก่อเรื่องก่อเราวนะพระประกาศเลยต่อไปนี้เลิกนับถือาศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วพวกนี้ไม่มีาศาสนาอยู่แล้วหรอกไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หวั่นไหวหรอกขนาดในใจหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมนะ ดอบวันหนึ่งข้างหน้านะเกิดการเมืองมันผันผวนมากนะทำลายพระไปหมดเลยบ้านเมืองไม่มีพระาศาสนาอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะาศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระนะาศาสนาอยู่ในใจของเรานี่เองนะถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมมาแล้วใครมันจะไปรู้ละ่นะะมันอยู่ข้างในใจของเรานี้ธรรมมาของพระเทเจ้าไม่ใช่แค่เปลือก น, ะนี่นี่เปลือกนะเนี่ยเปลือบนะบางคนเปลือบหลุดพวกเรายังตกใจอะไรนะ ศรัทธาคนส่วนใหญ่มันไปได้แค่ระดับศรัทธานะบางคนก็ไม่ได้ศรัทธาแต่หาผลประโยชน์พวกเราเนี่ยหลวงพ่อจำจี้จําฉัยให้ขึ้นมาสู่ขั้นไม่ใช่แค่ศรัทธาวิริยะจําจี้จําฉัยพวกเราให้ขึ้นถึงขั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าสติสมาธิปัญญาของเราแก่รอบนะศรัทธาวิริยะมันมาเองแล้วไม่ใช่ศรัทธาโง่งๆด้วยบางคนหลวงพ่อได้ยิดชื่อหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้ว มาเขาก็ศรัทธากันได้อย <ew> ่างนี้นะดังนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วจะมาว่ า, าศาสนาพูดไม่ดีพุทธเจ้สาสอนไม่ถูกไม่ใช่ตัวเองไม่ได้ศึกษาให้ดีแยกแยะไม่ออกเองนะ <ew> าศา <ew> สนาสะอาดทำคำสอนของท่า น, นะสะอาด <ew> หมดจดมากเลยทนทานต่อการพิสูจน์ทนทานต่อการพิสูจน์ใครจะค้านอริยาสัจไดอริยา ส, าาสัจสี่ใครจะค้านได้นะ พระเจ้าท่านบอกเลยว่าเมื่อท่านเคลื่อนกุงล้อของธรรมจักรแล้วไม่มีอะไรต้านทานได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งใจของคนต่ําช้ามากนะรอกรับธรรมจักรนี้ไว้ไม่ได้เองธรรมจักรก็ไม่ปรากฏขึ้นในใจผู้คนเรียกว่าศาสนามันหายไปแต่ธรรมะหายไหมธรรมะไม่ได้หายถึงวันหนึ่งข้างหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่สเสด็จอุบัติก็เอาธรรมจักรนี้ลกลับมาประกาศใหม่เพราะของเก่า พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่พระองคนะ์นั้นบเพ็ญบา ร, รมีมามากนะความเมตตาก็สูงอย่างบางคนนะี่ชอบปรามาสพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะอายุก็สั้น<ม>องค์อื่นอายุยาวไหมบา ร, รมีก็น้อยสาวกก็น้อยอะไรต่ออะไรไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตอนเป็นพระพุทธสันตะ์ใจกล้าขนาดไหนท่านกล้ามาตรัสรู้ในยุคที่เสื่อมทามขนาดนี้ไม่ใช่ไปตรัสรู้ในยุคที่สุขที่สบายนะ อาจรยสรู้ในยุคที่ต่ำสามขณะนี้ยความเมตตาของท่านบางคนก็นับถือองค์โ น, น้นองค์นี้พระพุทธเจ้านอนพระพุทธเจ้า น, นีพ้พระเจ้าท่านดีทุกองคนะท่านเสมอกันทั้งนั้นแหละเพื่อความบริสุทธิ์อันเดียวกันแหลนะนี่บําเพ็ญบารมีเขาเรียกสามสิบทัตบารมีครบเหมือนกันทุกองบางองค์ใช้เวลานานกว่าจะได้ครบบางองค์ใช้เวลาสั้นได้ครบแต่ไม่ใช่ว่าต้องนานเราเก่งกว่านะ ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พวกเราวัดได้นะเป็นอาจินไตไม่ใช่สิ่งที่พวกเราวัดได้ความรู้ความสามารถของท่านนะงั้นพระพุทธเจ้านะเราภาวนาไปนะเราจะรู้จักพระพุทธเจ้ารักรักท่านทุกองคเคารพท่านทุกองคแหละนะวันนี้ก็พอสมควรนะสมควรนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ทุกทุก ท, ก ท, กทกวันสวดมนต์เดินจงกลมอ่าในชีวิตประจําวันก็ดูกายบ้างท่องอิติปิโสในใจเจ้าค่ะทำไปทําไมละ่ะท้องอิติปิโสเพื่ออะไรเป็นเครื่องอยู่ค่ะอยู่อะไรให้อะไรอยู่กับอะไรเครื่องอยู่ของอะไรเครื่องอยู่ของสติค่ะเออให้มีเครื่องอยู่ของจิต จิตจะไม่ได้มีบ้านอยู่หลวงพ่อพุทธท่านจะบอกมีเครื่องอยู่มีเครื่องอะไรเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินะถ้ารู้ไปใจก็จะตั้งมั่นเด่นดวงกะดูมันทํางานไปนะตอนนี้แทรกแสงจิตหรือ ว, ว่าปล่อยจิตเป็นธรรมชาติตอนนี้กดไว้อยู่กลางหน้า อ, อกค่ะเออนะอันนี้แทรกแสงแทรกแสงอยู่รู้ว่าแทรกแสงนะรู้อย่างที่เขาเป็นจิตถึงบ้านไหม ไม่ไม่ค่อยถึงบ้านค่ะเออนะกลับมาบ้านซะอย่างนี้ไปเที่ยวค่ ะ, ะให้รู้ว่าเขาหนีไปและเดี๋ยวเขาก็กลับมาหนีไปคิดหรือยังคิดแล้วค่ะเออนะหนีไปคิดให้รู้ทันว่าเขาหนีไปคิดนะค่ะไปทำต่อแหล ะ, ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านนะก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไปใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวก็ดูกายดูใจเขาทางานดูเขาทํางานอย่าเบ็ดบังคับให้นิ่ง นมัสการครับหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าทําถูกแล้วให้ไปทําต่อนะครับกลับไปก็ฮึกเหิมปฏิบัติแล้วก็มันก็เจริญอยู่ไม่กี่วันแล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็เจริญแล้วมันก็เสื่อมสลับสลับกันนะทำอย่างนั้นถูกแล้วนะครับแล้วก็พอผ่านช่วงนั้นไปนะครับก็มีวินัยกับตัวเองมากขึ้นนะครับผมปฏิบัติได้ดีขึ้นนะครับแล้วในชีวิตประจําวันนะครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ระหว่างที่มีเวลาว่างนะครับนั่งหายใจดูรู้ลมหายใจแล้วจิตมันมุดเข้าไปข้างในนะครับไปเห็นกระบวนการทํางานอยู่ข้างในอืแล้วเป็นครั้งแรกครับที่เห็นว่าการหมุนหมุนอยู่ตรงกลางหน้าอกนี่มันทุกข์<อ>ทุกแบบทุกมากจนมันไม่ยอ ม, มครับมันัน่นแหละวัตฏะนะจิตมันปลุงขึ้นมานะวัฏตะมันหมุนอยู่กลางหน้าอกเหล่านี้แหละมีแต่ทุกนะตรงนี้จะเบรคมันได้วิีเดียวนะคือทําความสงบเข้ามา ถ้าพอจิตใจมีแรงแล้วก็ก็ไปรู้แต่ไม่ถล้ำไปรู้เพรเห็นมันทางานมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยครับลุงดีก็ทุกข์ลงชั่วก็ทุกข์ลงสุขก็ทุกข์แลุงทุกข์ก็ทุกข์อีกมีเท่านั้นเลยลุงทีไรทุกทุกทีเลยตรงที่หมุนหมุนอยู่นั่นน่ะเป็นวัตตะเป็นภพนะเป็นภพน้อยภพใหญ่หมุนทิ้วทิ้เป็นภพเล็กเล็กเล็กเล็กต่อกันไปเรื่อยมีภพที่ไรมีทุกทุกที รู้ไปเรื่อยจนใจเข้าใจมันจะทิ้งทิ้งไม่เข้ามาที่ตัวรู้เนี่ยเห็นตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ความทุกข์อีกอะเป็นชั้นชั้นไปค่ปฝึกเอาครับแล้วเวลาปฏิบัติไปพอเวลามาสว่างขึ้นมานี่ยมันเป็นปัญญาใช่ไหมครับมันเคยทําในรูปแบบแล้วมันก็หมุดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งแล้วมันก็สว่างสว่างแบบสว่างมากเลยนะครับ แล้วเป็นความสว่างที่เย็นไม่ ม, มีความสุขไม่มไม่ได้เหมือนสว่างจ้าๆแบบแสงไฟอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็สังเกตเอาว่ามันก็ยังเห็นว่ามีตัวตนอยู่ก็เข้าใจว่ามันเป็นการเกิดปัญญาใช่ใชใชครับเกิดปัญญาเป็นคราวๆไปนะแต่เวลาที่เราเดินปัญญาอยู่นีนะดูอยู่นนะบางครั้งจิตก็พลิกเป็นสมถะได้นะเป็นสมถะอยู่ในนั้นเลยแล้วถอยออกจากสมถะเราเดินปัญญาต่ออยู่ในนั้นแหละ จะพลิกไปพลิกมาได้บางที่เดินปัญญาไปเกิดความรู้ความเฉลียวมันก็สว่างขึ้นมานะแต่สว่างคนระแบบกันสว่างาร่าเริงครับผมแล้วต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ทําให้สม่ำเสมอไม่รีบร้อนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชั่วก็ปฏิบัติเจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัติต้องเสื่อมไม่เสื่อมไม่ได้ครับผมกล้าพอพระคุณครับ ขอบคุณพระเจ้านะนิมัสการครับส่งการบ้านครั้งแรกในรอบสี่ปีครับใช้ได้เนาะว่ามาผมเป็นคนมีโทสะครับผมจึงเลือกที่จะดูจิตของตัวเองเออแล้วก็มีการบริกรรมบ้างในช่วงที่เป็นสมถะครับก็จะใช้คำพูดของหลวงพ่อที่พูดถึงคาถาที่ท่านใช้ตอนนั่งรถไฟออกมาจากสุรินทร์ก็คือพุโทโธสุสุโธกรุณามหณโวช่วงเวลาที่ผมขาดสติ แล้วก็พยายามที่จะรักษาสี่ห้าให้ครบถ้วนโอ้สาธุมันมีกิเลสหลายระย่างมาหลอกล่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีธรรมะของท่านผมคงแย่ไปแล้วครับไม่มีธรรมะของผู้เจ้าแนละ้วแย่ไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้การดูจิตดูโทสะหเห็นกิเลสของตัวเองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาดีเห็นไหมมันเกิดได้เองครับเห็นไหมบังคับไม่ได้ไม่ได้ครับนะเห็ น, นไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงครับนั่นแหละปัญญาล่ะ คุณภาวนานได้ดีมากนะดีมากเลยไปทำอีกครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อเห็น้ก็ปลื้มใจเป็นต้นไม้ที่สวย <c oughs> ว่ามาเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ที่เมือง <c oughs> จีนนะ <c oughs> เขาบอกว่าพวกเขาเป็นมเมล็ดโพลหลวงพ่อมาทำให้เขาเริ่มงอกแล้วนะโอยังมีมเมล็ดอย่างนี้อีกเยอะเนี่ยมีบอกมันบอกงี้ด้วย <c oughs> แล้วบอกว่าปีหน้าต้องมานะถ้าไม่มาเนี่ยเขาจะปบมือไปเรื่อยๆจน ก, กว่าจะรับปากว่าจะมาไม่ใกล้ๆหนังจีนอย่างเงี้ยมบอกอยาตบมือเลยเมื่อยถ้าตบเดี๋ยวเราก็ตบแข่งกันเราตบไปเรื่อยๆก็ขยับแล้วเรารู้สึกเดี๋ยวเราก็ชนะอย่างงเราไม่ได้บังคับไปไห น, นไม่ได้แล้วว่างเราพอเหมาะพอควรเราก็มาไม่ใช่เมื่อนั้นต้องมาวันนี้ต้องมาะเราไม่ได้ว่างๆ ต้องเฉลี่ยกันไปใจลอยอยังถือไม่นานนรมาศกายน้องพ่อมีคำถามอะคะ่ะบางทีดูลมหายตายไปแล้วมันก็มีไหวๆขึ้นมา เ, ออเห็นไหวๆเก่งนะดีแต่เวลาเห็นเห็นห่างๆไม่ถลํำลงไปจ้องนะใช้ได้ แล้วมีอะไรต้องต้องแก้ไขหรือเปล่าก็ทำไปให้สม่ําเสมอนะอย่างพวกเราอย่างของคุณที่เห็นโทสะอะไรเงี้ยนะรู้สึกไหมว่ามันดีตั้งแต่ปฏิบัติแลนะได้ปฏิบัติก็ดีแล้วละ่ละเพราะฉนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆส่วนจะได้ผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่พาจิตเข้าดูของจริงไปเรื่อยนั่คือทำทำถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วละ่ะถูกแล้ ว, ลลวไปทําสม่ําเสมอเท่านั้นแหละ แล้วก็ไม่รีบว่าจะต้องได้ผลนะอยากได้ผลใหมันพลาดไปเมื่อก่อนนมีเยอะเลยที่ภาวนานเกิดอะไรแปลกๆเขาบอกบรรลุมรรคผลละอย่างเงี้ยฟังแล้วสลดใจนะจะเจริญสติจเจริญปัญญาไปด้วยดูรู้เท่าทันกิเลสไปต่อไปก็รู้เองนะว่ากิเลสอะไรผ่านได้จริงผ่านไม่ได้จริงสังเกตเอาถ้าไม่ไปติดนิ่งนะ กิเลสก็ทํางานได้จิตนิ่งอยู่แล้วบอกไม่มีกิเลสเพราะที่ชอบกันรู้มกักฝนอะ่ะจิตไปติ่นิ่งแหละแล้วบอกไม่มีกิเลสไม่เห็นอ่เห็นความฟุ้งซ่านของจิตไหมมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ขอ ง, ของหนูส่วนมากจะดูลมหายใจค่ะดูลมหายใจนะอย่าให้ใจไหลไปเผลอไปนานนะหายใจเห็นร่างกายมันหายใจอย่าให้จิตไปเกาะที่ตัวลม แค่เห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละมันหายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็ค่อยรู้ของมันเองนะรู้มากๆเข้ามันก็เกิดความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจรู้ไปก่อนเดี๋ยวก็เข้าใจทีหลังรู้บ่อยๆก็เข้าใจเร็วขแข็ไป ท, ทาเอา <laughs> ขอขามาพระตัณตไปแล้วก็หลวงพอเลยค่ะใครที่จะขอขามาก็ให้ทุกคนเลยนะขอสักทีเดียววันละครั้งพอละงานงานละครั้งขอทีละคนไม่ไหวเยอ ะ, อะสามรมสการคระหลวงพ่อตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆตามเรื่อยๆเฉยๆสติเกิดเองบ้างไม่เกิดบ้างแต่เท่าที่สังเกตมาที่เกิดการรู้แจ้งครับงทีสอง มันนานถึงสิบสองปีค่ะไม่ทราบว่าหนูบุกร้องตรงไหนแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรคะือเกิดอะไรนะรู้แจ้งนะค่ะสองครั้งรู้อะไรครั้งแรกก็ไปรู้กายอกับขันแบกขันไม่ใช่เราแล้วก็ อ, อันที่สองก็ไปรู้ว่าความคิดมันไม่มีจริงอ่ะคะ ม, มันบึ้บเันไปว่างแล้วก็เห็นความคิดมันมันรู้ไม่พอหรอ ก, รอกมันไม่ล้างนะแล้วดูอีกดูไปเรื่อยเยังไม่ขาดกายก็ยังรักอยู่ยังหวงอยู่นะ ยังไม่ขาดจริงหนอกดูไปบ่อยๆนะจะ ร, รู้สึกตัวไปดูเขาทํางานไปอะไรไปครับว่าเคยทำงานใช่นมัสการค่ะหลวงพอ่อส่งกลันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าแป๊บหนึ่งนะพอเวลานอกเนี่ยจิตอย่างนี้นะมันไปมันหลงไปนะรู้สึกรู้สึกแล้วดูมันทํางานถ้าตัวนี้มันแข็งทื่ออยู่เนี่ยมันจะเหมือนกับไม่มีตัวเรา แต่ถ้ามันไม่เหลือตัวแข็งอยู่เลยเนี่ยตัวเราจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวก็เห็นแต่ถ้าจิตค้างอยู่ตรงเนี้ยจะไม่มีอย่าให้ค้างอยู่ตรงนี้ะนะหนนะลวงปู่ ม, มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะอย่าให้ติดตัวนี้อยู่พอตัวนี้หลุดได้คราวนี้ยจะเห็นแล้วว่ามีหรือไม่มีนะเห็นด้วยตนเองละเป็นวินยูชนละนะเอาว่ามาค่ะครัง้งที่แล้วที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าใจหนูอ่อนไปเออใจอ่อน แล้วมันแข็งขึ้นมาบ้างไงคะเข้มแข็งขึ้นไหมล่ะก uh> uh ็เหมือนเหมือนนะคะฮก็เหมือนเหมือนว่าจะเข้มแข็งขึ้นใช่ใช่พอหาแล้วหนูตื่นเต้นแบบนี้เยอะเลยเข้มแข็งขึ้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะหรือกระทั่งเรามีศีลเรามีสัจจะเรามีสมาธิเราเจริญปัญญาเนี่ยจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นนะจะเข้มแข็งเป็นทําให้เกิดความกล้าหาญนะอย่างหลงพ่อนะ เวลาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไม่กลัวเลยนะเวลาห่างๆนะนึกนึกถึงมันติดกลัวเหมือนกันเวลาจะเมื่อก่อนจะไปหาหลวงตามหาบัวนะนึกถึงท่านก็กลัวเหมือนกันนะแต่พอเข้าใกล้ไม่กลัวแล้วลุยแหลกเลยอะไรเป็นอะไรเป็นกันไม่มีหวั่นไหวเลยนะนั่นแหละภาวนาแล้วมันเข้มแข็งค่ะแล้วหนูทําถูกไหมคะถูกถูกนะคะถูกภาวนาแล้วมันท้อเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะค่ะ ม, มาพ่อ<ช>แป้ แ, ปแล้วทดละาถ่วยขอกำลังใจฮฝาังแล้วเหมือนหนูจะเคยอย่างนั้นเลยขอกำลังใจอ่ะเออนั่นแหละไม่เอานะภาวนาแล้วมันมีกำลังใจของเราเองนมันส ก, การเจ้าการหลวงพ่อคือยมออพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้เจ้าค่ะแล้วก็ออจะรู้สึกว่า เห็นทุกอะไรก็ทุกแล้วก็จะเบื่อด้วยจะขอญาติพระอาจารย์ช่วยบอกรู้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยนะมันเบื่อให้รู้ว่าเบื่อไปรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆมันจะดีมันจะชั่วมันจะสุขจะทุกข์ดูมันทํางานไปถ้าใจมันเบื่อมันท้อแท้เลยนะให้รู้ทันเข้าไปอีกรู้เข้าไปตรงๆเลยเดี๋ยวมันหายเองเบื่อรู้ว่าเบื่อท้อแท้รู้ว่าท้อแท้ดูเข้าไปเลยอย่าให้มันครอบดังนั้นมันครอบใจ ภาวนาได้ดีทุกคนเลยนะที่ส่งกันบ้านมาหลวงพ่อพอใจมากอย่างนี้ค่อยไม่แพ้คนเมืองจีนหน่อยคุณ พ, พ่อเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อช่วยแก้จุดอ่อนของของโยมที่ยังต้องแก้ไขอ่ะเจ้าค่ะขี้โมโหไหมขี้โมโหเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้มุสามากเออนั่นแหละขี้โมโหไม่ใช่กิเลส น, นะแต่ถ้ามุสาเนี้ยไม่ดีะผิดศีล ขี้โมโหเป็นกิเลสแต่มันไม่ผิดศีลแต่ถ้ามุสาเนี่ผิดศีลขี้โมโหเกิดขึ้นให้รู้ว่าจิตมีโทสะรู้อย่างนี้เนี่ยถ้าขี้โมโหถ้าฝึกอย่างค น, นี้ถูกแล้วพิยมเนี่ยที่เขาว่าเขาขี้โมโหมันไหวขึ้นมาก็เห็นมันไหวขึ้นมาก็เห็นแค่นั้นเองแต่ศีลห้าตั้งใจนะตั้ใจถ้าศีลด่างลอยเนี่ยจะไม่เกิดมรรคผลมันทำได้ดีทุกคนเลยเห็นแล้วปลื้มใจ มสรสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับหลังจากที่ฟังสตีหลวงพ่อมาหนึงเดือนก็ช่วงปฏิบัติก็ได้ดูว่าบางครั้งช่วงขณะจิตก็ไม่ใช่ตนหรือว่าฟงซ่านสลับกับง่วงบ้างวาง่างบ้างหุนหิบแต่ว่าหุนหิบจะเยอะอืก็พอผู้รู้มีผู้รู้ผู้ดูก็มาม า, มามาแล้วก็ไปแต่ว่าอยู่ไม่ค่อยนานครับถูกถูกก็ขอคําแนะนํำหลวงพ่อว่าปฏิบัติถูกแล้วนะ ธาดขันมันก็แยกดีดูเขาทำงานไปเห็นไหมสภาวะแต่และอย่างมาแล้วไปบังคับไม่ได้ทำถูกแล้วดูบ่อยๆขอคำแนะนำหลวงพ่อเรื่องการโอปานาญิโกครับว่าฟังข้อธรรมว่าการโอปิญญโรโอปนญิโกนี่เป็นประโยชน์แต่ว่าไม่รู้ว่าสำคัญอย่างไรทำอย่างไรโอปานาญิโกน้อมมาหาตัวเองนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานไปโอปนาญิโก เสร็จแล้วพน้อมมาเรียนรู้กายรู้ใจมากเข้าก็ปัจจตังเวทิตาโพมีอยู่อมีอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองนะรู้่อะไรรู้ว่าไม่เห็นมีตัวเลยเรียนรู้ตัวเองแล้วแลพบว่าไม่มีตัวหรอกมีแต่าธาตุมีแต่ขันซึ่งตกอยู่ใต้ใจรักนี่แหละเรียกว่าโอปัญยโกโอปัญยโกไม่ให้ส่งจิตเข้าไปข้างในนะเพราะฉะนั้นส่งจิตลึกเข้าไปก็ไม่เรียกว่าโอปัยโกหรอก น้อเข้ามาหาตัวเองน้องมาเรียนรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองถึองจะใช่มาสการ์ดค่ะหลวกพ่ส่งกันบ้านจากคราวที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์ให้ไปดูเรื่องอัตตาเหนนี้ว่าก็หลังจากนั้นก็ไปนั่งคิดเรื่องอัตตาของตัวเองอแล้วก็ทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่ามันคืออัตตาเนี่ยก็จะรู้ทันรู้ทันทีนะคะแล้วก็ยังดูอยู่สม่ําเสมอว่าเอ๊ยเรืนี้ที่เราคิด รู้รู้สึกนี่มันคืออัตตาหรือเปล่าเราจะเจอตรงนั้นดีแต่อไปเราจะเห็นเลยนะทุกความคิดทุกคําพูดทุกการกระทําเนี้ยซ่อนในตัวนี้ไว้ค่ะมันเป็นทุกคนเลยค่ะส่วนใหญ่จะตอนนี้รู้สึกถึงความคิดเลยว่ามันคืออัตตาหรือเปล่าแล้วหยุดจอดตรงนั้นก่อนที่จะเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีต้องอย่างนั้นนะศีลเราจะไม่ดังพลอยค่ะทุกวันนี้คือตั้งใจมาตั้งแต่ เมื่อต้นปีแล้วก็คือรักษาสินห้าตลอดชีวิตอะคะ่ะอืมสาธุทุกวันนี้ปฏิบัติภาวนาด้วยกันนั่งนั่งดูกายอะคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้นั่งดูกายไล่เคลื่อนร่างกายไปตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเบาพอเบาและกายมันหายไปเลยะคะ่ะพระอาจารย์มันจะเห็นเป็น ตัวร่างกายนี่คือเป็นช่องว่างไปหมดเลยแต่มีจิตอยู่ตรงกลางแค่ชั่วเวลาครู่เดียวค่ะแล้วมันก็กลับกลาย ม, ามันรู้สึกว่ามันก็คือเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาเหมือนเดิมเวลาจิตมันรวมเป็นสมาธินะบางทีก็เห็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกก็เลยเรียนรู้ว่าจากการปฏิบัติครั้งนั้นก็คือ ร่างกายมันก็คือคนเราสวดกับจิตเรานี่ไงที่หลวงพ่อบอกอ่ะว่าพอ พ, อ, พอนาไปจนกายสลายนะหลือจิตอันเดียวพะมีกายให้มันจะรู้เลยกายกับจิตมันโคนละอันมันแยกขันได้อะค่ะนั่นอย่างนั้นถึงเรียกว่าดูกายเป็นค่ ะ, ะค่ะแล้วเออ่โยมควรจะก็ดูอย่างที่ดูเนีี่่่ยยดูอางทแต่อย่าประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันอืมค่ะ ดูนิ่งไปใช่ไหมคะอาจารยนิ่งไปใช่ไหมคจนบางครั้งคราวที่แล้วเอนิ่งไปถ้าหลุดเมื่อไหร่ร้ายเมื่อนั้นเลยเหรอคะร้ายมากๆด้วยตายเลยแหละค่ะคือครั้งที่แล้วเอที่ส่งกันบ้านพระอาจารย์คือเรื่องว่าเบื่อคือดูกายแล้วก็เบื่อแล้วหันมาดูลมดูลมก็เบื่อก็กลับไปดูกายคือตอนนี้ความรู้สึกเบื่อมันมันหายไปแล้วค่ะแต่มันเป็นรู้สึกเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือมันเริ่มนิ่งอืมนั่นแหละอย่าให้มันติดนิ่งนะ ให้รู้ทันว่านิ่งค่ะเหมือนที่รู้ทันว่าเบืออ่อค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะกลับนิพพารหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วส่งกลับบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าจิตฟุ้งกระจายอยู่ข้างนอกข้างนอกซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ไม่ลาบแต่ว่าก็ไปสังเกตตัวเองมามันก็อ่าเห็นว่าจิตผมเนี่ยมันไม่ชอบอยู่บ้านครับอื ม, มันจะชอบ มันจะชินกับการกระจายกระจายอยู่ข้างนอกแล้วแบบเวลามีอะไรมาสัมผัสบางทีก็รู้บางทีก็บางทีก็พอรู้ว่าโอเคโอเครู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเข้าใจว่าโอเคหลวงพ่อบอกให้ให้รู้เฉยแต่ว่าไม่ค่อยชินกับการเอาจิตอยู่ว่าอยู่บ้านให้รู้ทันอย่าไปบังคับให้อยู่นะให้รู้ทันว่ามันไปก็บางทีก็จะจะรู้ทันอีกทีคือดึงแล้วอืก็คือพอดึงแล้วค่อยรู้ใปแต่ะดังแล้ก็ปล่อยแต่ว่าถามว่าดิ้นรนไหมก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าดิ้นรนเวลาแบบทําผลปฏิบัติมันแบบไปดึงมันมาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดิ้นรนคือผมก็นึกว่านึกอยู่ว่าโอเคหนึ่งมันอาจจะแบบผมอาจจะเคยฟังของพ่อมาว่าโอเคมันเป็นปกติแกะแต่อี ก, อกในมุมหนึ่งก็แบบเออหรือว่าเราฉันทาดในการในการปฏิบัติความเพียรมันลดลงเลยเราดิ้นรนน้อยลงหรือเปลา่าความเพียรอะเราทําได้แต่ตื่นนะตื่นที่มารู้สึกกายรู้สึกใจไหม ถ้าตื่นปุ๊บรู้สึกปั๊บโอ้หแสดงว่าความเพียรยังใช้ได้อยู่ถ้าขี้เกียจ น, นะตื่นให้มาโอ้ตั้งนานกว่าจะรู้สึกของผมก็ทาพยายามปฏิบัติเกือบทุกวันในในรูปแบบอะครับคือบางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอันนั้นก็ปกติแล้วก็ในกรณีที่ว่ า, าผมลงใ่อีกนิดนึงครับหลวงพ่ อ, อในบางครั้งที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกขึ้นมาครับแล้วบอกว่า าาง่ไม่ควรรู้สึกเฉยๆควรจะเจริญปัญญาด้วยโดยที่บางคนเขาต้องใช้การคิดนํานําร่องในการคิดนําร่องนี่หมายถึงว่าในช่วงแรกๆหมายถึงว่าในช่วงแว บ, บแรกเราค่อยแบบตามนั้นหรือว่าแบบในช่วงแบบไม่จําเป็นหมอันนั้นหมายถึงว่าจิตเป็นนิ่งรู้ตัวแล้วสว่างเฉยอ ย, อยู่งั้นนะคีปี้ก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะอันนี้ต้องช่วยมันคิดพิจารณากายแต่ว่ามันรู้ตัวอยู่แวบบหนึ่งนะแล้วมันออกมารู้อันนี้ไม่ต้องนําหรอก แต่ว่าพอผมรู้ผมก็แบบก็พอรู้ตัวขึ้นมาผมก็จะรู้สึกโอเคมันบางทีก็รู้สึกแยกมาเลยระหว่างกายกับจิตว่าอะไรมันมันกระ่างกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ไ, <ร>ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอย่างนั้นมั น, ม, นมันเรียกว่าแบบเราไปคิดหรือเปล่าเพราะว่าพอผมรู้มาแล้วเราค่อยรู้อีกทีนึงอาศัยคิดนะมันแยกออกมาก็มีนะนิดนึงฮะเออคิดนิดนึงก่อนไม่เป็นไรนะพอแยกแล้วก็ดูเขาทํางานไปเรื่อยๆต่อไปมันชํานาญนะ รู้สึกไม่ทันจะคิดละแค่รู้สึกว่ามันไปรวมกันก็แยกเลยอ่าขอคำแนะนำสำหรับผมครับไปทำอีกนั่นแหละนะมีข้อแก้มีข้อที่ต้องก็ระวังเรื่องใจฟุ้งซ่านเท่านน้นยังฟุ้งอยู่ใช่ไหมครับแต่ดีขึ้นมากแล้วนะต้องสบายนะรู้สึกตัวสบายสบายไม่ได้บังคับบังคับแรงไม่ดีน ะ, นะมันฟุง้งเรารู้ว่ามันไปจะเข้ามาเองแล้วพอดี ว่าไงคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูขนผมเล็บปันหนังนะคะออก็ตอนนั้นรู้สึกว่าพอติดเพ่งแล้วมันมันเหมือนกับว่าความคาดหวังเรามันมากเกินอะไรเนี่ยค่ะการปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราไปวุ้นวายกับมันมากเกินเจ อ, อใช่ก็เลยทิ้งหมดเลยค่ะหลวงพ่อตอนนั้นบอกว่าอะไรก้าหน่อยตอนเมื่กอก่อนมันไม่กล้าที่จะทิ้งนะคะหลังมันก็เลยไม่เอาแล้วที่เราคิดฝันคาดหวังหรือว่าเอ อ, เ อ, อ ตั้งใจอะไรเงี้ยเห็นไม่อพอเราปล่อยนะจิตมันก็เบิกบานขึ้นมานะค่ะอทีนี้พอภาวนาไปแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทิ้งการปฏิจจบัติแล้วก็ดูไปเรื่อยๆคือไม่ไ ม, ไม่ไม่มุ่งมั่นอะไรกับมันมากมทีนี้พอไปสักประมาณเดือนสองเดือนนะคะตอนเย็นวันหนึ่งมันมันรู้สึกว่ามันเจอเหตุการณ์ที่มันทุกข์มากๆทีนี้มันก็ทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ยังไงก็เลยแบบว่า อ้าวมันมันมันมันมันทำงานของมันเองนี่มันทบไม่ได้มันทุกมันก็ทุกของมันอันนี้พอมันคิดไหมหรือว่ามันเกิดรู้ขึ้นมาหนูไม่แน่ใจว่ามันคิดด้วยรู้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพอนั่นปุ๊บมันมันไปเห็นสภาวะที่ทุกอย่างเนี่ยเออ ขันอะไรเงี้ยมันเป็นแผ่นแผ่นมันมันแยกกันไปเลยมันเป็นแผ่นเหมือนแผ่นกระดาษเนี้ยค่ะแล้วตัวรู้ก็ไปไปรู้เข้าแล้วมันก็เหมือนกับมันมันที่หลวงพ่อบอกมันภากออกจากกันหนูก็รู้ว่าเอาว่าแนวเลนต์อย่างนี้แน่ๆเลยมันมันมันคนละเรื่องกันเลยค่ะมันแล้วก็ตั้งแต่เย็นวันนั้นจนถึงจนหลับไปเลยเนี้ย่ะมันมันมีแต่ตัวที่จิตมันไปรู้เข้ารู้รู้รู้รู้อะไรเงี้ยมันไม่มันมันคนละเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยถูกแล้ว แต่พออีกวันก็ไปรวมเหมือนเดิมค่ะรวมก็ไม่ว่านะก็ <ฮะ S 2> แค่รู้ว่ารวม ท, ทีนี้มันพอกลางคืนมันนอนไม่หลับมาเดือนเป็นเดือนแล้วค่ะคือไม่รู้ว่ามันรู้ด้วยคิดด้วยผสมผสมกันจนแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงถ้าถ้ามันฟุ้งมากน ะ, <ฮ>ะมั่วซั่วแล้วล <ฮะ S 2> ่<ฮ>ะทำสมถ ะ, <ฮ>ะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้ <ฮะ S 2> ทําใจสงบสบายมีแรงแล้วมันก็แยกใหม่ ถ้าทิ้งสมถะไปเลยเจริญสติรวดไปนะเดี๋ยวก็ฟุ้งแต่พอทําสมถะมันก็จะไปเพ่งนะคะไม่เป็นไรเพ่งไปก่อนแล้วรู้นะแล้วให้ใช้จิตมันเข้าพักบ้างเมื่อเมื่อตอนที่หลวงพ่อเทศตอนเช้าเนี่ยค่ะมันก็ปีติขึ้นมาที่หลวงพ่อประเทศเมืองจีนพอปีติพอมันไปรู้ใจมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมมันเหมือนสั่นสะเทือนตลอดเวลามันแทนนี้มันจะดีมันไม่ดีมันทุกข์อะค่ะ มันมันมันไม่ว่าปีติไม่ว่าอะไรมันก็ทุกหมดนะคะทุกพอเราเห็นมันไร้สาระมันก็ไม่ไม่แต่ตรงนี้ยปัญญาล่ำหน้าล่ำหน้าเออปัญญามันสรุปเร็วไปเราไปสรุปให้มันคิดใช่ไหมคะคิดแล้วอย่างนี้เดี๋ยวไปโทสะแทรกก็ดูโทสะไปด้วยว่าไอ้มันโทสะหรือเปล่าเออแล้วหนูต้องทํำยังไงคะเรารู้อย่างที่เขาเป็นมาเจอกันคราวนี้ยภาวนาเก่งกว่าเก่าเยอะเลย ขันมันแยกแล้วเนะะาะพอแยกแล้วก็ดูมันอย่างนี้แหละถ้ามันรวมก็รู้ว่า ร, รวมแยกก็รกกู้ว่าแยกเห็นมันทำงานไป ถ, ถ้าจะไม่ไม่ไม่ไมปัญญารำหน้านี่ต้องอยังไงคะใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นไมมันกลัวไม่รู้มันกลัวโง่จะคอยคิดเอา <c oughs> ข้าพเจากุณปกาบนมัสการเจ้าค่ะ ลูกเป็นเจ้าหน้าที่ซื้อขายหุ้นนะคะแล้วก็มีเล่นหุ้นบ้างค่ะอันนี้ควรเลิกใช่ไหมคะืออันนี้ไม่เกี่ยวกับการภาวนาเนี่ยคือเวลาเ อ, อทํางานอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเราเราอาจจะเไม่ไม่สามารถจะภาวนาได้ค่ะแล้วมันอาจจะมีกิเลสในกรณีที่เราเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะค อ, อันนี้ถ้ า, าถ้าเราทํามาหากินนะ มีโอกาสเลือกงานที่ภาวนาง่ายแล้วก็ทําถ้าเราจําเป็นต้องทําอันนี้มันไม่ผิดกฎหมายอะไรนะก็ทําทไปได้ถือว่าอาศัยอยู่กับโลกแต่ถ้ากิเลสอะไรแทรกก็ ค, คอยมีสติรู้เอาแต่ถ้าสามารถทํางานซึ่งเขาเรียกไม่มีปริโพัวไม่มีข้อกังวลได้ก็ดีจะทําทไม่ได้ก็ต้องทําไปก่อนงานไม่ได้หาง่าย ส่งการบ้านสองเดือนกว่านะคะช่วงที่มีปัญหาเข้ามาจะคิดราคาเกิดแล้วก็รู้โทรศัพท์เกิดแล้วก็รู้สลับคิดค่ะ <S <S <t rio> <t rio> ลูกจะเห็นคิดแล้วก็ราคาเกิดจิตไปยืดแล้วก็ทุกข์แล้วก็ดูสิ่งที่ซ่อนอยู่คืออัตตาที่ทำให้ทุกข์มากค่ะแล้วดูต่อไปก็จะเห็นจิตทุกข์ไม่ใช่ตัวเราะส่งการบ้านสองครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเพ่งแรงไปแล้วก็คิดนำค่ะ ตอนนี้เข้าใจว่าดูแบบสบายๆดูแบบผ่อนคลายอันนี้ยังต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือป่าคะก็คลายมากขึ้นนะดีกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังบังคับอยู่ดูออกไหมล่ะเออดูออกแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะดูออกแล้วก็ไปดูเอาก็เห็นนลมันบังคับไม่ได้หรอกแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเลยโดนแต่เป็นตัวที่ไปรู้เข้าไม่ใช่เราสักอันเดียว ไปทําเอานะส่วนจะเล่นหุ้นไม่เล่นหุ้นก็ไปดูเอาเองแต่หลวงพ่ไม่เคยเจอคนที่เฝ้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ทั้งวันนะแล้วดูหุ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วบอกว่าจะภาวนาจะรู้ทันจิตที่ดีใจเสียใจอะไรยังไม่เคยเห็นใครประสบความสําเร็จตรงนี้เลยละนะอันนี้เป็นเรื่องของสถิตินะไม่ได้ว่าทําไม่ได้หรอกทํายากหน่อย ครับเราก็ได้ฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับแล้วก็วันนี้เนื่องจากอีกสองวันจะเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็จะถือขอถือวอกาสชวนให้ทุกท่านกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยนะครับเดี๋ยวเราตั้งนมโมพร้อมกันนะครับ<ม>นักโมทัสสะปะคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะรัตนั ต, ตเยปมาเทนะทวารตเยนะกะตังสับพังอภ ป, ปราทัง ขมัตุโนพันเตรัตนตะเยปมาเทนะทวารตะเยนกตังสับพังหาปราทังขมัตุโนพันเตรัตนตะเยปมาเทนะทวารตะเยนกตัง สับพังอปาราทังขมะตุโนพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ั พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรม ร, ะธรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลา ย, ล ย, ลายในชาติก่อ น, น, ช, าอนชาตินี้ด้วยทางกายหรือวาจ า, า, า, า, จาและด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุกเพปมัาชิตตวาปัชชาโซนัปมัชชติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันจดีมายาสัปปะปังกตังกัมังกุสเลนะภยติโซมังโลกังประพาเสตียภามุตโตวจันจดีมาอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขัง พระลังสาธุที่หลวงพ่อตอบพวกเราเนียนะถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆนะก็บอกว่าเวลาที่เราทำไม่ดีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบังการที่เราเปิดเผยอะไรเนี่ยกล้ารับกล้าอะไรนะตอนนี้เมฆ ก, ก็ผ่านไปแล้วนะให้พระจันทร์สดใสเสียทีอย่าไปกังวลมากสาธุ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 ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวายีโตทินนางเปตานางูปะกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตูสัพพารโอโววินัสตู มาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวาธนาศิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ